ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สเกหยวนเย็ยนเย็ยนอิจฉาลิวันพูดคุยกับหยวนเซ้าเหิงหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่คือนางอยากรู้ความเป็นอยู่ล่าสุดของเขาเอานี่ของโปรดของเจ้าหยวนเซ้าเหิงคีบเนื้อวัวตุ๋นพะโลชิ้นหนึ่งให้ลิวานเงินค่าขนมพอใช้หรือไม่หากไม่พอให้บอกพี่พี่มีเงินฉันทราบแล้วค่ะตอนนี้พี่เป็นคนรวยแล้วนี่นาลิวานเอ่ยเยาด้วยน้ำเสียงกึ่งเล่นกึ่งจริงพี่ค่ชีวิตคนรวยเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรต่างไปจากเดิมบ้างหรือไม่ ริมฝีปากบางของหยวนเซาห์เหิงยกยิ้มเล็กน้อยก็มันงั้นแหละไม่ได้มีอะไรต่างกันนะักทว่าสิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือบรรยากาศภายในตระกูลหยวนเมื่อเทียบกับตระกูลเจิง้งที่หนึ่งมีแต่การแก่งแย่งชิงดีส่วนอีกที่หนึ่งครอบครัวปลองดองหยวนเซาห์เหิงรู้สึกว่าตระกูลหยวนไม่อาจเรียกว่าบ้านได้เลยบ้านควรจะเป็นสถานที่ที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายแต่ตระกูลหยวนไม่ใช่เช่นนั้น หยวนเศร้าเหิงดูเหมือนจะไม่ต้องการลงรายละเอียดเรื่องในตระกูลหยวนมากนักแววตาของหลี่วันหมดลงเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหลังจากอยู่เป็นเพื่อนหลีหว่วันจนทานข้าวเสร็จหยวนเศร้าเหิงก็ถึงเวลาต้องกลับแล้วคืนนี้เขาตั้งใจจะไปค้างที่บ้านสักคืนหากรอพรุ่งนี้ค่อยกลับเกรงว่าจะอยู่เป็นเพื่อนท่านปู่ท่านย่าได้ไม่เต็มที่ที่แค่ช่วงก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งจะหยุดพักไปไม่อย่างนั้นฉันคงได้กลับไปพร้อมกับพี่แล้วหลี่วันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย คราวหน้าหากพี่จะหยุดเมื่อไหร่ต้องบอกฉันล่วงหน้านะคะฉันจะได้ไปขอลาหยุดกับอาจารย์อืมได้หยวนเซาเหิงพยักหน้าเบาๆคราวหน้าพี่จะบอกเจ้าล่วงหน้าแน่นอนเจ้ากลับเข้าโรงเรียนไปเถิดอีกสักพักพี่จะมาหาใหม่หลีหวันโบกมือให้เขาหยวนเซาเหิงยืนมองส่งจนลิวันเดินรับตาไปเขาจึงถอนสายตากลับมาเหวินโม่หยวนเซาเหิงทวนชื่อนี้ซ้ำในใจน่าสนใจดีดีจริงๆ ฉันก็ว่าทำไมพี่ถึงไม่ยอมไปเดินห้างกับฉันที่แท้ก็แอบมาหาคนรักนี่เองขณะที่หยวนเศร้าเหฮงกําลังจะก้าวขึ้นรถเสียงแหลมเล็กที่ดูเยไวก็ดังขึ้นเขาขมวดคิ้วจ้องมองคนที่นั่งอยู่ในรถจะมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่ตอนที่พวกพี่สองคนนั่งทานข้าวอยู่ในร้านแล้วหยวนเย็นเย็ น, เ, ยนเบะปากหรือว่าน้องสาวอย่างฉันจะไม่มีความสําคัญเท่ากับคนนอกในสายตาของพี่เลยเสียวหวานไม่ใช่คนนอก เมื่อได้ยินเช่นนั้นคิวที่ขมวดอยู่ของหยวนเศร้าเหิงก็ยิ่งขมวดแน่นขึ้นเขาเอ่ยแก้คำพูดของนางนางไม่ใช่คนนอกแล้วใครจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะหยุนเย็นเย็นสังเกตเห็นประเด็นสําคัญเสี่ยววานลี่วานนางคือน้องสาวคนนั้นของพี่ที่บ้านตระกูลเจิ้งอย่างนั้นหรือเมื่อครูหยวนเย็นเย็นยังนึกสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นดูอายุน้อยเหลือเกินมองอย่างไรหยวนเศร้าเหิงกับนางก็ไม่เหมือนคนรักกันที่แท้ก็เป็นน้องสาวนี่เองเฮ้อ หยวนเย็ยนเย็ยนยิ่งให้พอใจนางกอดอกฉันต่างหากที่เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ฉันไม่สนรวันนี้พี่ต้องไปเดินห้างกับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไปฟ้องพ่อกับแม่ว่าพี่ไม่สนใจฉันนางนึกว่าคำพูดนี้จะข่มขู่หยวนเศร้าเหิงให้ยอมเชื่อฟังได้หารู้ไม่ว่าคำพูดนี้ไม่มีผลใดๆต่อเขาเลยหยวนเศร้าเหิงเปิดประตูรถอีกฝั่งแล้วก้าวเข้าไปนั่งสองวันนี้พี่มีธุระหักเจ้าอยากไปเดินห้างก็ไปหาคนอื่นที่ไม่ว่างพี่ ใบหน้าที่ละไมคล้ายหยวนเศร้าเหิงของหยวนเย็ยนเยียนใช้แววโกรธเคืองก็ได้งั้นฉันจะตามพี่ไปรอจนกว่าพี่จะว่างก็แล้วกันพี่คงไม่เล่ยฉันไปหรอกนะหยวนเศร้าเหิงปลายตามองนางด้วยสายตาเรียบเฉยก่อนจะเบือนหน้าหนีตามใจในเมื่อนางอยากตามนักก็ตามไปเขาไม่ใส่ใจอยู่แล้วตามมาแล้วต้องเชื่อฟังไม่อย่างนั้นพี่จะให้คนขับระส่งเจ้ากลับไปทราบแล้วคะ่ะหยวนเย็ยนเยียนตอบอย่างขอไปทีที่คัพี่ทิ้งฉันไว้ที่บ้านคนเดียวหลงคอได้อย่างไร มันน่าเบื่อจะตายวันหลังไม่ว่าพี่จะทําอะไรต้องจําไม่ว่าต้องเรียกฉันได้เข้าใจไหมหยุนเศร้าเหิงรําคาญที่นางพูดมากจึงเบื่อนหน้าหนีไปอีกทางอย่างไม่เต็มใจหยุนเหย็นเย็ย น, เยยนไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าตนเองน่าราคาญนางยังคงจีบปากจีบคอพูดไม่หยุดรถยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเขตบ้านพักทหารพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณหน้าหยุนเศร้าเหิงดีเขาจึงสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องรายงานตัวแต่รถจากภายนอกไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตให้เข้าไป ย้นเย็นเย็นกว่าสายตามองไปรอบๆเขตบ้านพักทหารที่แท้นี้คือสถานที่ที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กดูแล้วก็ไม่เลวนักเพียงแต่บ้านเหล่านี้ตั้งอยู่ติด ก, กันเกินไปดูเหมือนกรงนกพิราบอย่างไรอย่างนั้นนางบ่นพึนพรรมพำในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาพี่เขนเนื่อยจังยังไม่ถึงบ้านที่อีกหรือหย้นเย็นเย็นวิ่งเห ย, ยาะๆตามมาพรางบนอกใกล้แล้วหักเจ้าเหนื่อยก็ไปรอที่รถหย้นเศร้าเฮงชะลอความเร็วในการเดินลงพรางเตือนานาง เดี๋ยวพอเจอท่านปู่ท่านย่าของพี่แล้วอย่าได้พูดจาเหลวไหลเจียวหรอกเจ้านั่งอยู่ข้างๆเงียบๆก็พอสั่งให้เรียกใครก็เรียกตามนั้นออหยุนเย็นเย็นยอมเชื่อฟังแต่โดยดีนางไม่รู้จักพวกเขาเสียหน่อยจะไปพูดอะไรได้ทันทีที่เจ้าชุนฮวาเห็นหยุนเศร้าหึงนางก็รู้สึกราวกับตาฝาดไปหรือว่านางจะคิดถึงหลานชายคนโตมากเกินไปจนเก็บไปฝันกลางวันแสบๆจนกระทั่งคุณย่าครับ เสียงของหยวนเศร้าเหิงดังขึ้นดวงตาของเจ้าชุนหวาก็เป็นประกายทันทีเศร้าเหงิงเจ้าเจ้ามาได้อย่างไรเจ้าชุนหวารีบเดินเข้าไปหาไม่เจอกันเพียรไม่กี่เดือนดูเหมือนเขาจะสูงขึ้นอีกไม่น้อยแต่ก็ดูสู้ผอมลงไปเช่นกันนี่มันเรื่องอะไรกันอยู่ที่ตระกูลหยวนทานข้าวไม่ลงหรืออย่างไรถึงได้ปล่อยตัวให้ผอมเช่นนี้หรือว่าพ่อแม่ของเจ้าดูแลเจ้าไม่ดีย่าบอกแล้วใช่ไหมหากเจ้ารู้สึกว่าพวกเขาไม่ดีก็กลับมาได้ทุกเมื่อที่นี่คือบ้านของเจ้าเสมอเอ๊ะ พ่อกับแม่ของฉันไม่ได้รังแกเขาเลยนะคะคนที่บ้านก็ไม่มีใครรังแกเขาสักคนยวนเย็ น, เ ย, นเย็นทนฟังไม่ได้จึงรีบอธิบายพี่ชายฉันคงเพิ่งกลับไปเลยยังไม่ชินกับอาหารที่บ้านช่วงนี้เขาผอมลงจริงๆค้าแม่ฉันพยายามเปลี่ยนเมนูทํากับข้าวบารุงเขาอยู่ทุกวันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับตัวนะคะเจ้าพูดมากเกินไปแล้วหยวนเศร้าเหิงหันไปเตือนนางไม่ให้ใช้น้ําเสียงเช่นนี้พูดกับคุณย่าพูดเท่าเพียงแต่เป็นห่วงเขาไม่ได้มีเจตนาอื่นอ้อ หยวนเย็ยนเย็นอึกอักและเงียบเสียงลงนางเม้มริมฝีปากวันนี้คงเหมาะที่จะแซงเป็นคนเบที่สุดแล้วนี่คือน้องสาวของเจ้าหรือเจ้าชุนฮวากวากสายตามองหยวนเย็ยนเย็นที่น้องคู่นี้หน้าตาคล้ายกันมากทีเดียวอย่ามัวแต่ยืนคุยกันตรงนี้เลยเข้าไปคุยกันในบ้านเถิดเจ้าชุนฮวาดึงมือหยวนเศร้าเหิงอย่างกระตือรือร้นนามีเรื่องอยากคุยกับหลานชายคนโตมากมายนักหยวนเย็ยนเย็นไม่มีความสนใจจะเข้าไปฟัง นางเดินไปเดินมาอยู่ในลานบ้านประจวบเหมาะกับที่พวกเจิงเซาอย่างเลิกเรียนกลับมาพอดีเธอเป็นใครนะ่ะเ จ, งจงิงเซาเจิงเซาสิงไม่รู้จักคนคนนี้แล้วนายเป็นใครละ่ะหยุนเหย็นเย็ย น, เยยนไม่ได้แนะนําตัวแต่นางรอให้อีกฝ่ายพูดก่อนนี่บ้านฉันนายจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นใครเจรงิงเซาสิงพูดอย่างระอาแล้วเธอมาทําอะไรที่บ้านฉันฉันตามพี่ชายมานะ่ะหยุนเย็ยนเย็ยนเอ่ย แวตาของเจิงเศร้าอย่างสันวหวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆละสายตาจากใบหน้าของนางที่พี่ชายของเธออืมหยวนเย็ยนเย็ยนพยักหน้าที่ชายฉันกลับมาเยี่ยมท่านปู่ท่านย่าของเขานะ่าี่ใหญ่กลับมาแล้วเจิงเศร้าสิ่งรีบวิ่งแจนเข้าไปในบ้านทันทีพี่ในที่สุดพี่ก็รู้จักกลับมาหาผมเสียทีผมคิดถึงพี่จะตายอยู่แล้ว